สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่สี่สิเทธิอำนาจเหนือความตายพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สี่สิบสามครับมาระโกบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สี่สิบสามผมจะขออนุญาตเว้นข้อที่ยี่สิบสี่จนถึงข้อที่สามสิบสี่นะครับเพราะเป็นเรื่องของวันทุ่งนี้ ท่านครับในพมพีตอนนี้นั้นได้พูดถึงเรื่องของพระเยซูที่มีสิทธิอำนาจเหนือความตายเกิดขึ้นกับลูกสาวของยายรัสนะครับพระเยซูทรงเรียกให้เขาเรียกให้เธอนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมีคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์ และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อยายรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของท้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปกับคนนั้นข้อ35ครับเมื่อพระองค์ยังตรัดไม่ทันขาดคํา มีบางคนได้ออกมาจากบ้านในธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแกนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยแต่จงเชื่อเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากบและยอนน้องชายของยากรข้นพระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้ว ก็เห็นคนวุ่นวายร้องไห้ขำควรไปนั้นมากแต่เมื่อพระองค์เฉด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าทั้งหลายพากัน ร, ร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราอเยาะพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาและสาวกสามคนที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กหญิงอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าภาริชาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอย๋ย เราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้สิบสองปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระงก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ทำให้เราเห็นถึงสิทธิอํานาจเหนือความตายของพระเยซูครับในขณะที่พระเยซูได้ทรงทําการอัศจรรย์เหนือลมพายุทรงห้ามลมพายุพระเยซูทรงทําการอัศจรรย์ที่เกเรซ า, าหรือเกดารานะครับทรงทรงทําให้คนที่มีผีเข้าก็หายและผีก็ออกไปจากคนคนนั้นในวันนี้พระเยซูได้สัมดงถึงฤทธิ์ฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอํานาจของพระเยซูเหนือความตายครับ เราอ่านพบนะครับว่าพระเยซูได้เสด็จ อ, ออกจากแกรดรลาทรงนั่งเรือข้ามทะเลแกลิลีอาจจะกําลังเสด็จไปยังคาเปอร์นาอุมที่ซึ่งพระองค์ได้เหล่าสาวกพักอยู่ขณะที่ไม่ได้ออกเดินทางนั่นเองชาวเมืองจําพระเยซูได้ครับประชาชนเป็นอันมากชุมนุมกันรอรับพระองค์พระเยซูยังเป็นที่นับถือยังเป็นที่นิยม อยู่ในหมู่ชาวกะเหรีครับเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนและรักษาโรคพระองค์กําลังประกาศถึงความเป็นพระเจ้าและการรักษาโรคยืนยันถึงสิ่งที่พระองค์ประกาศนั้นพี่น้องครับในหมู่ธรมารมศาลาในหมู่ประชาชนมีนายธรมารมศาลาผู้ซึ่งชื่อว่าใหญ่รัสในธรมารมศาลาก็คือคนที่รับผิดชอบสูงสุดในธรมา ร, าธรมศาลาธรรมศาลานั้นเราคงทราบนะครับว่าเป็นเหมือนกับโบสถ์ครับ จริงๆแล้วพระวิหารอยู่ในกรุงเยลเซล็มนะครับแต่ชาวยิวไม่สามารถไปพระวิหารได้ทุกๆวันสะบาโตนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีธรรมศาลารครับซึ่งก็เหมือนกับโบสถ์เล็กๆที่เขาจะอ่านพระจันทร์ของพระเจ้าที่เขาจะนมัสการพระองค์ในวันสะบาโตนั่นเองเขาเก็ต้องพาลูกของเขานะครับมาเพื่อที่จะเรียนธรรมบัญญัติก็จะมีรับใบนะครับก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพระคัมภีร์พี่น้องครับ ไกรัสนั้นเป็นนายธรรมศาลาเขาหมอบกราบลงที่แทบผ่าบาทของพระเยซูแสดงความเคารพนับถือพระเยซูอย่างยิ่งบรรดาผู้นำศาสนาไม่ค่อยชอบพระเยซูครับแต่ในธรรมศาลาคนนี้มีปัญหาใหญ่ในพระธรรมมัทธิวเล่าว่าบุตรสาวของไกรัสในธรรมศาลาคนนี้พึ่งเสียชีวิตลงไกรัสนี้เชื่อว่าหากพระเยซูเสลี่ไปวางพระหัตถ์บนตัวลูกของเขาลูกเขานั้นจะกลับมีชีวิตขึ้นอีก ลูกานะครับซึ่งเป็นหมอเขาได้ให้รายละเอียดสำคัญสองประการก็คือว่าเด็กหญิงคนนี้มีอายุสิบสองปีนะครับและอีกประการหนึ่งคือเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะครับนี่เองเป็นเหตุให้ธรรมศาลาในธรมารมศาลาคนนี้มีความทุกโศกมากจึงมาคุกเข่าต่อเบื้องพระพักพระเยซูเขานั้นได้ออกจากความเป็นผู้นำาศาสนานะครับใช้ความเชื่อของเขา ออกจากผู้นำศาสนาในแง่ที่ว่าไม่ได้อยู่เป็นพวกเดียวกันอีกต่อไปนะครับโดยใช้ความเชื่อของเขานั้นเข้ามาอ้อนวอนพระเยซูครับกราบที่พระบาทของพระเยซูพระเยซูก็สแสดงความเมตตาของพระองค์ครับเสร็จจากที่นั่นไปพร้อมๆกับเหล่าสาวกและแน่นอนครับผู้ติดตามกลุ่มใหญ่ก็ไปกับพระองค์เพื่อหวังจะเห็นการอัศจรรย์ระหว่างทางครับพระเยซูก็รักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเชื่อมากนะครับ ก็คือผู้หญิงคนที่ได้ป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลาสิบสองปีในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับน่าสนใจมากทีเดียวเรากลับมาถึงบุตรสาวของยารัสนะครับขณะที่ยารัสนะครับถูกทดสอบความเชื่อเพราะต้องรอคอยพระเยซูที่จะรักษาหญิงนะครับโลหิตตกจากการรอคอยตรงนี้เองนะครับเป็นการทดสอบความเชื่อ ของยาลัสด้วยเหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันการรักษาโรคของพระเยซูที่มีต่อหญิงโลหิตตกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเชื่อของยารัสเมื่อได้เห็นว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือนโครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูน่าจะรักษาลูกสาวของเขาทันพี่น้องครับเมื่อเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเห็นได้ชัดครับว่าบุคคล ที่อยู่ในคนต่างๆที่อยู่ในบ้านของยายลัสนั้นไม่เชื่อในฤทธิอำนาจของพระเยซูพวกเขากล่าวว่าลูกสาวของท่านตายแล้วแกรบกวนอาจารย์อีกทําไมเล่าพระเยซูทรงได้ยินถ้อยคําเหล่านี้พระเยซูตรัสกับยายลัสส่วนตัวครับชัดเจนครับอย่ากลัวเลยแต่จงเชื่อเถิดลูกาเสริมข้อความต่อี้ในข้อ50ว่าลูกของเจ้าจะหายดีพี่น้องครับ ประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่มีความสาคัญผมเชื่อว่ามีความสำคัญมากที่สุดในพมพีตอนนี้เพราะเราจะเห็นนะครับว่าอย่ากลัวเลยแต่จงเชื่อเถิดจงเชื่อเท่านั้นจงมีความศรัทธาเท่านั้นเฟสโอลีดอนเบียเฟสนะครับก็คืออย่ากลัวเราเห็นว่าความเชื่อนั้นตรงกันข้ามกับความกลัวครับความกลัวฝ่ายจิตวิญญาณนะครับจะหายโดยความเชื่อ ความกลัวตายก็จะหายโดยความเชื่อความกลัวที่จะไม่ฟืน้นความกลัวที่จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราความเชื่อจะเอาชนะมันได้พี่น้องครับสิ่งที่เรามีอยู่นั้นจะหายดีแผ่นดินของเราจะหายดีลูกของเราจะหายดีเสียงตางที่เราทูลขอพระเจ้าจะหายดีเพราะเหตุที่เรามีความเชื่อในขณะเดีวยวกันครับพังพีได้ พูดและบรรยายต่อไปว่าเมื่อพระเยซูกับคนเหล่านี้เดินใกล้ถึงบ้านเขามาระโกะกับลูกาบันทึกว่าพระเยซูอนุ ญ, ญาตให้เฉพาะเปโตยอนยากบเข้าไปกับพระเยซูรวมเป็นสีนะครับและก็ยังมีบิดามารดาของเด็กคนนั้นรัวเป็นหกครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องผ่านด่านของคนเต่าปีและผู้ที่มีมีรับจ้างมาเพื่อเดี๋ยวลองให้ไว้อะไรในสมัมยนั้นนะครับก็มีการว่าจ้างผู้ที่ไว้ทุก จะต้องมาร้องไห้ค่ำครวนกับผู้ผู้ตายนะครับให้กับผู้ตายใน้กระทั่งคนจนนะครับก็จะมีคนเป่าปี่อย่างน้อยสุดสองคนนะครับเหมือนกับคนจีนนะครับที่เขาทํากงเตกพวกที่ทํากงเตกนั้นก็ถูกว่าจ้างมาทั้งสิ้นในสมัยนี้ก็มีอย่างนั้นนะครับกลับไปหาพระเยซูครับพระเยซูตรัสกับผู้ที่กำมาร้องไห้ไว้ทุกว่าท่านหลายพากันร้องไห้วุ่นวายทําไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่ปรากฏว่าพระพีบันทึกว่าผู้คนพากันหัวเราอเยาะปรุง น้ครับถามว่าทําไมเขาหัวเราเยอะพระองค์เพหนึ่งเขาถูกว่าจ้างมาเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กกั บ, ก, บกับคนตายเลยไม่แต่น้อยผู้คนก็ทํางานกับคนตายก็มีความรู้สึกจากประสบการณ์เขาว่าไอที่ตายแล้วเนี่ยฟื้นมันคงจะไม่มีแต่เขามองท่านพระเยซูไปครับเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูพระเยซูเสด็จเข้าไปในห้องที่เด็กนั้นนอนอยู่นะครับและจับมือเด็กคนนั้นแล้วกล่าวว่าทาริทาคูมิ ทาดิธาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอย๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเป็นภาษาอาราเมรครับที่น้องครับชาวกาลิลีส่วนใหญ่พูดได้สองภาษาครับก็คืออาราเมคนอารำนะครับก็พูดภาษาอาราเมคนที่เดินทางอยู่ในละแวกนั้นนะครับเป็นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอาราเมย์ครับคนที่อยู่ในแถบนั้นก็เป็นชาวอาราเหมือนกันนะครับแต่เมื่ออยู่ ในเตขตปกครองของกาลิลีก็เรียกว่าชาวกาลิลีชาวกาลิลีนั้นพูดได้สองภาษาครับก็คืออาราเมกและภาษากรีกนะครับภาษากรีกนี่นะครับพระพี่บันทึกว่าทันใดนั้นเด็กเด็กคนนั้นลุกขึ้นเดินพระเยซูสั่งให้เขานําอาหารมาให้เด็กนั้นระทานและพระเยซูทรงคำชับไม่ให้แพ่งพลายเรื่องนี้แก่ผู้ใดนะครับเรารู้นะครับว่าพระเยซูเมื่อทรงสั่งไม่ให้แพ่งพลายนั้นนะครับแสดงว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เกิด การวุ่นวายของประชาชนและผู้นำศาสนาก็จะเพ่งเล็งมากจนท่้งทําให้ผู้นำศาสนานั้นทนไม่ได้และมาขัดขวางการงานของพระเยซูพระเยซูยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกจับครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่แพ้งแ่งายสิ่งที่ทําพระเยซูต้องการความเชื่อของศาสนานี้เกิดขึ้นในหวัวใจในใจเป็นการส่วนตัวกับบางครอบครัวบางคนนะครับพี่น้องครับเรากลับมาถึงสิ่งที่สําคัญมากบอกว่า มีอาจจะมีคำถามว่าพระเยซูทำไมไม่ทำให้คนตายอื่นๆฟื้นขึ้นมาหรือเป็นขึ้นมานะครับใลครั้งทีเดียวเราเห็นนะครับแม้กระทั่งยอห์นเดอะแบปติสต์หรือยอห์นผู้ให้บัพติมานั้นถ้าเราจะอ่านในบทต่อไปยอห์นเดอะแบปติสต์ตายแล้วก็ไม่ไม่ฟื้นครับไม่เป็นขึ้นมาจากความตายมีหลายคนครับที่สิ้นชีวิตในภรัายสมัยพระเยซูมีผู้คนมากมายที่รักลูกและรักครอบครัวของตนเช่นเดียวกับเยรัสน เปเยซูทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เหนือความตายสามครั้งนะครับก็คือเรียกลูกชายของไม่ไม้ที่นาอินให้เป็นขี้เหนียวความตายเรีย克拉ซารัสให้เป็นขี้เหนียวความตายและเรียกลูกสาวของไยรัสให้เป็นขี้เหนียวความตายในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสที่เปเยซูเรียกให้เป็นขี้เหนียวความตายพระองค์ทรงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างกันครับไม่ใช่ทุกคนที่เปเยซูทรงเรียกให้เป็นขี้เหนียวความตายไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เปเยซูจะเรียกเขาให้เป็นขี้เหนียวความตาย